บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวิสาข บ, บูชาจึงปรารถนาที่จะนำเอาเนายะของพระพุทธคุณบางประการซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของพุทธานุสติ คือการตั้งสติตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตั้งในชั้นของการเพิ่มภูณสัทธาคือความเชื่อประสาธะคือความเลื่อมใสในท่านที่จะสงบระงับความหวาดกลัวภัยอันตรายต่างๆในฉั้นที่จะก่อให้เกิดเป็นความตั้งมั่นแห่งจิตโดยการนำเอาพระพุทธคุณ มาเป็นบทบริกรรมภาวนาตลอดถึงในชั้นที่จะบรุคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปโดยลำดับจนถึงสามารถสัมผัสพระพุทธคุณได้ในชั้นนั้นๆพระคุณของพระพุทธเจ้ามีการจำแนกแสดงออกไปโดยพิสดารได้เกินแม้ในขณะนี้ก็ไม่มีใครกำหนดได้ว่า ที่พระโบราณอาจารย์คืออาจารย์ในการก่อนท่านอนุสรถึงคุณของพระพุทธเจา้าและกล่าวยกย่องสรรเสริญไว้นั้นมีกี่ชื่อโดยกันแต่สรุปว่ามีบ้างจะพะในที่นี้เป็นพระพุทธดำรัตเองคือทรงประกาศสถานะของพระองค์เองทั้งแก่เวรันเชพราม ไต้ แ, แก่ภิกษุทั้งหลายคือทรงใช้ชื่อปรุงเองว่าโล ก, กเชตซึ่งแปลว่าเป็นพี่คนโตของชาวโลกหรือพี่ชายใหญ่ของชาวโลกเป็นการแสดงให้เห็นสถานะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญเชนเดียวกับคนทั้งหลายในโลกเพียงแต่เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยบารมีธรรม และความเปลี่ยนพยายามศึกษาค้นคว้าในตอนต้นก็มีการลองผิดลองถูกกันแต่ในที่สุดพระองค์ก็เข้าถึงจุดสูงสุดคือเป็นอรหันตสมาสัมพุท ธ, ธ์ข้อนี้ทรงอุปมาเห็นว่าชาวโลกเรานั้นถ้าเปรียบดูง่ายๆก็คล้ายๆกับไข่ไก่ที่แม่ไก่เขาฟัก ไก่ๆเรานั้นไก่ๆตัวใดที่สามารถกระเทาะฟองไข่ออกมาได้ก่อนไก่ตัวนั้นก็ชื่อว่าเป็นพี่ของไก่ทั้งหมดพระพุทธเจ้ากับประชาสัตว์โลกทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ละคนก็ถูกคุ้มห่อไว้ด้วยเปลือกเกออววิชาเป็นความมืดบอดในเหตุผล พระเจ้าทรงทำลายกระปาะฟองคือวิชาออกมาได้ก่อนเพราะันจึงชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่คือเป็นพี่คนโตของชาวโลกคราวนี้เป็นการแสดงให้เห็นแม้ในดับทิศลดหลั่นลงมาว่าความเป็นผู้ใหญ่ในความหมายทางพระพุทธศาสนานั้น แม้ท่านจะให้ความสำคัญแก่อายุคือเกิดมานานก็ตามแต่ก็ท่านจำแนกแสดงคนออกไปเป็นสามประเภทจะเรียกว่าเจริญโดยชาติคือเกิดมาในในกำเนิดในสกุลที่เขายอมรับกันในยุคในสมัยนั้นว่าเป็นผู้สูงสุดเรียกว่าเป็นสมุตติเทพคือสมุติกันอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของวัย ที่ร่วงการผ่านไปมาเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องของบุคคลทั้งหลายตามสมควรแก่ฐานะของท่านแต่ทั้งสองกลุ่มนี้จะพบว่าก็บีบตัวเองไว้ด้วยชาติกําเนิดประการหนึ่งด้วยการเวลาของบุคคลนั้นประการหนึ่งจึงต้องมีการรอคอยบางอย่างก็รอคอยได้ เป็นการเวลาก็เราคอยได้สาหรับบางคนเราก็จริงเราก็คงจะไม่อยู่ไปจนถึงพู้เ่าเป็นรูปเท่าปเาป็นผู้ใหญ่จริงๆได้ทุกๆคนแต่บางอย่างก็เป็นเรื่องของกรรมในอนดีตที่ส่งมาให้เกิดในกำเนิดนั้นๆแต่นั้นคุณที่สำคัญจึงอยู่ที่คุณวุฒิคือเจริญโดยคุณธรรมความดี วันนี้เป็นการเปิดโอกาสกว้างให้ใครก็ได้อยู่ในวัยใดอยู่ในสถานะใดก็ได้ที่มีความพอใจมีความยิน ด, ดีในกุศลในธรรมมีความเปี่ยนพยายามที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนให้มีความประนีตขึ้นไปโดย ด, ดั่ัที่บางครั้งท่านใช้สำนวนให้เกิดความเข้าใจง่ายว่าสะอาดสว่างสงบสะอาดสงบสว่าง สะอาดนั่นก็หมายถึงสะอาดทางกายทางวิจาแต่จะถามว่าทำอย่างไรจรึงจะสะอาดได้ก็ตอบว่าโดยการรักษาศีลศีลจะมีความประนิดขึ้นไปในชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าอาจารระหรือมารยาทเพราะตามปกติเรื่องคุณธรรมของคนเป็นเรื่องที่อยู่ภายในไม่มีใครรู้ได้หรอกว่าท่านเป็นอะไรแม้แต่บางท่านเป็นพระราชา ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครจะรู้ได้ว่าท่านเป็นพระอระหันต์เพราะความเป็นพระอระหันต์นั้นอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายก็คงมีความเคลื่อนไหวเป็นอาการปกติทางกายทางวิ า, าของท่านอยู่นั่นเองบางเรื่องเป็นเรื่องที่มีความละเมศทาไมดึกซึ้งที่ท่านเรียกว่าวาสนาแม้ท่านจะเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ก็ละไม่ได้ และบางครั้งเราจะพบว่าพระอาหารหันต์บางองค์ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเหมือนปุตุชนบางคนเพราะท่านติดเรื่องที่เป็นวาสนาของท่านมาเพราะการกําหนดตัดสินความดีงามของคนหรือมีคุณธรรมของคนก็ดูที่การแสดงออกทางกายกับทางวาจาเท่านั้นก็ดูทางอื่นก็ไม่ได้ แท้จริงอาการปรากฏทางกายทางวา จ, จา ก, ก็เป็นการสะท้อนมาจากจิตใจที่มีความสะอาดของบุคคลมีความสงบของบุคคลผู้นั้นถือหมายความว่าในกายที่สะอาดใจที่สะอาดใจที่สงบก็เป็นตัวปรุงคิดคิดปรุงก่อนที่จะทําก่อนที่จะพูดขณะทำํำขณะพูดให้ออกมาด้คยกรลองแข็งธรรมะ ก็กลายเป็นผู้ที่มีความสะอาดในทางกายสะอาดด้วยศีลแม้แต่ศีลชั้นเดียวเราก็จะเห็นความแตกต่างกันแล้วว่าคนที่มีศีลจะรับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งหลายโ ด, ย, ดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่กำหนดมีรูปแบบมีเพศเป็นเครื่องจำแนกสถานะของคนเช่นบุคคลที่บวชเข้ามา พอมาถึงได้ปาผ้ากาาพัดทุ่มพอร่างกายสแสดงสถานะของความเป็นผู้มีศีลเหนือกว่าคนอื่นก็เป็นที่เคารพยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากศีลเป็นตัวสร้างบุคคลนั้นให้อยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลคือบุคคลที่กฎแก่การเคารพแต่ในขณะเดียวกันก็มีเครื่องแบบเป็นการกาหนดหมาย วันนั้นคือเป็นภิกษุเป็นสามนเณรเป็นนักบวชนักพรตในด้านต่างๆซึ่งสำนวนศาสนามักใช้คบว่าสมนาภรางค์คือสรุปง่ายๆว่าเป็นนักบวตในการแสดงอาการปรากฏออกมาทางกายกับทางวาจาของบุคคลก็เป็นเรื่องของคุณธรรมที่พัฒนาขึ้นไปในชั้นหนึ่ง ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไม่ต้องรอคอยเวลาว่าให้แก่ซะก่อนหรือเกิดในกำเนิดสกุลสูงซะก่อนขึ้นอยู่กับกุศลในเจตนาของบุคคลที่จะประพฤติกระทำให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ ค, คุณธรรมที่จะนำให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดผลเช่นนั้นเราอาจจะเรียกอะไรก็ได้อาจจะเรียกว่าอิทธิบาทซอาจจะเรียกว่าทิฐานธรรมซี หรื อ, อาจจะเรียกธรรมะเ่าอื่นแต่เรื่องกุศลธรรมก็คือเรื่องของกุศลนธรรมที่จะนำความสงบความสะอาดให้บังเกิดขึ้นภายในชีวิตของบุคคลเหล่า น, นทีนี้ถ้าหากว่ามีการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไปอีก จะมีความส ง, งบจากอากุศลบาปประทำที่เราพูดง่ายๆก็ว่าส ง, งบจากนิวรณ์ทั้งหประการครานี้เพิ่งสังเกตว่าการนํำ อ, อนิวรณ์มาพูดนั้นไม่ได้หมายความว่าเวลานิวรณ์ส ง, งบแล้วกิเลสประเภทอื่นจะไม่ส ง, งบแท้จริงแล้วอาการของนิวรณ์ก็คืออาการของความโกรความโกรธความหลงที่ปรากฏตัวออกมาในลันกษณะรุ่มรุมใจ ที่จึงอาจจะจำแนกเป็นร้อยก็ได้แต่ก็สรุปไว้เป็นห้ากลุ่มเพื่อง่ายต่อการจำและง่ายต่อการเข้าใจคือไม่ต้องไปศึกษาในเชิงปริยัติไปจำทรงชื่อเสียงเรียงนามของกิเลสเรื่ออาการของกิเลสให้มากทักแล้วก็จับเพียงห้ากลุ่มเอาไว้ถ้าใจสามารถสงบความคิดเหล่านี้ได้มันก็กลายเป็นผู้ที่ ถ้าถึงความสงบด้วยพลังของสมาธิข้อนี้เป็นตัวอย่างที่จะเชี่ย้เห็นว่าหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นสาธารณธรรมคือธรรมะที่ทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงเมื่อก่อนที่จะประกาศพระธรรมเทศนาของพระองค์หลังจากสารุปใหม่ๆ เราสั่งว่าประตูอมตะคือประตูแห่งความไม่ตายเราเปิดแล้วเพื่อท่านทั้งหลายแต่จนทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามาเถิดคือจงน้อมศรัทธามาเถิดจะน้อมศรัทธาในชั้นนี้ขอเพียงแต่น้อมมาในจุดว่าพระพุทธเจ้าคือผู้สัสรดีสัจสรู้รชอบด้ดยโรงเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้สัสรุตามด้วย พ ร, ระพุทธเจ้าเป็นพี่คนโตของสาวโลกความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์นั้นเกิดขึ้นมาจากความเพียรพยายามของพระองค์เองและบนเส้นทางของความเพียรพยายามกว่าจะประสบความสําเร็จนั้นไม่ใช่ว่าราบรื่นคือมีการลองผิดลองถูกมีการประสบความผิดหวังมีความทุกข์ความทรมานมีการเสี่ยงภัยอันตรายเกือบล้มประดาตาย แต่ว่าอะไรที่เห็นว่าเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคก็สรงกระจัดปัดเป่าการเอาอุปสรรคเหล่านั้นอะไรที่ทำไปแล้วเห็นว่าเป็นความผิดความพลาดความบกพร่องไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ไม่ทาต่อไปพระทํามต่อไปมันก็คือกันข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าบางอย่างเช่นว่าของหายเวลาคนไปหาของนั้นก็ดูในที่เดิม ดูแล้วดูอีกแต่ถ้าคนที่มีเหตุผลมีสติปัญญาเขาไม่ดูเอาดูครั้งแรกไม่เห็นครั้งที่สองก็ไม่เห็นหนี่แหละเพราะนั้นถ้าจะดูมันก็ต้องดูในที่อื่นไม่จะดูในที่เดิมอยู่ร่าไปแล้วก็พลิกแล้วก็รือ้อแล้วก็ค้นอยู่ในที่เดิมนั่นเองคือถ้าถึงกับค้นรื้อกันแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายถ้าหากต่อไปก็ต้องหาที่อื่น เรื่องของจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวเกาะอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือบางครั้งเราก็ทำอะไรซ้ำซากๆอยู่ในเรื่องอนั้นไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทั้งๆ ท, ที่ทำไปแล้วก็รู้ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาไม่ดีอะไรขึ้นมาทำให้ถูกมองถูกเพ่งเล็งถูกตาหนิ บางครั้งรุนแรงจนถึงก็ถูกลงโทษแต่คนก็ยังทำซ้ำอยู่ในที่เดิมท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าแต่ในจิตใจของเขาดันไม่มีปัญญาเหตุประจักจนสามารถถอยห่างจากสิ่งที่เคยเป็นพิษเป็นภัยหรือกำลับบงเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนได้พระเจ้าในฐานะที่เป็นโลกเชิด คือเป็นพี่ใหญ่ของชาโลกเต้นว่าอะไรผิดก็จะไม่ทําซ้ําในจุดนั้นแต่จะไปประพฤติกระทําในส่วนอื่นๆทุกคนเราถ้าผิดซ้ําำละครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็ขอให้อภัยกันจะทาอะไรซ้ซําๆซักๆคือผิดซ้ำๆซัซกๆอยู่นี่ ถ, ถ้าผิดมากๆในแง่งของทางสารวัตรท่านเรียกว่าเป็นหลับต่อของวัดตะ คือไปไหนไม่รอดแล้วก็ต่อไม้ที่จะมีโอกาสเปิดด้านอับพังไปปัจจุบันต่อมไม้ก็เอาไปใช้ประโยชน์กันได้แล้วเด็กคนที่ทําอะไรผิดพลาดครั้งพลาดดูสม่าเสมอในจุดเดียวกันแล้วไม่มีการแก้ไขปรับปรุงนั้นก็ทาให้หมุนวนอยู่ในจุดนั้นเองไม่มีการพัฒนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการแบบของพระพุทธเจ้าจึงไม่ ปอยอะไรให้เกิดเป็นครั้งครั้งที่สองในกรณีของความผิดแต่เมื่อเราไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกโอกาสที่จะผิดนั่นก็มีได้ก็สําคัญว่าอย่าไปทาครั้งที่สองครั้งที่สามกักนในสุดพระองค์ก็ได้ประสบความสําเร็จจากการศึกษาจากการค้นคว้าจากการพินิจารณาของพระองค์นั่นคือตัวอย่างของโลกเชิด เป็นพี่คนโตของสาวโดกที่ยังทรงใช้คําอีกคําหนึ่งว่านราสพังโลกเชตทั้งนราสพังอ้นราสภะหรือบางครั้งเรามากกักจะได้ยินคําว่านาราศพทศพลเป็นํานวนโบราณที่นิยมใช้กันมานราสภะนั้นเป็นชื่อของจา่าฝูงโค คือโคบางตัวสามารถแกนําฝูงไปมาโดยสวัสดีได้คือโคเป็นแสนแสนแกยังนําได้โดยไม่เกิดอันตรายแล้วโคป ร, ระเภทเนี้ยเขาเรียกว่านารา น, นาราสพับางครั้งก็เรียกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอาสพัอีกกลุ่มหนึ่งเรียกอุสพัอุสพ้นั้นหมายความว่านําโครประมาณร้อยตัวได้ อาสภะก็นำโคประบาลสามตัวประม า, ะมา1พันตัวได้แต่ถ้าเป็นนาราสภะเราจะนำมากเป็นพิเศษคือเท่าไหรก็ได้พระเจ้าอยู่ในฐานะอย่างนั้นเป็นพี่ชายคนโตเป็นผู้นำของชาวโลกในเรื่องของปัญหาชีวิต อยู่ในแวดโปงของอริยสัจทั้งสี่ประการดังกล่าวเพราะนั้นปัญหาสำคัญในฐานะของพุทธศาสนิกชนที่จะทำตนให้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจา้าจะทำอย่างไรจึงจะทำลายกระปาะฟองที่ปิดบังปัญญาออกออกสิบัางเหมือนกับไข่ไก่ที่อยู่ในฟองไข่มันก็มองอะไรไม่เห็น แล้วทำยังไงจึงจะ ก, กระเทาะกระเปาะฟองนั้นออกซะบ้างก ร, กระเปาะฟองเหล่านั้นเราอาจจะพูดในลักษณะที่ง่ายๆต่อการกระเทาะก็ได้เช่นอาการกายวาจาที่เป็นไปในทางไม่เหมาะสมแล้วก็ทำอย่งั้นแหละไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ท่านเรียกว่าเป็นอาจินะปฏิบัติคือทําแล้วก็เสียหายทุกทีก็ยังอุตส่าห์ทำ ก็เป็นกระปาะฟองอีกประการหนึ่งที่ปิดบังปัญญาปิดบังจกักษุของตัวเองเอาไ้ที่กระป๋อฟองบางอย่างที่ไม่ถึงกับอวิชชาแต่มาจากอาวิชชาเป็นผูกความริษยาอาฆาตความเม้นแก่สนุกสนานต่างๆ ต, ต่อถึงความระโมบโลกอยากได้เกินไปความเจ็บ เก็บกดอารมณ์ต่างๆเอาไว้ภายในจิตแต่อย่างนั้นก็เป็นกระปาองฟองเป็นปิดบังปัญญาทั้งหมดจะเป็นความริษยาจะเป็นความโลภหรือจะเป็นความโกรธหรือจะเป็นความโศกอะไรก็ตามสามารถที่จะมองได้ว่าภาพเดียวกับกระป๋ะฟองนั่นเองกระป๋ะงฟองไข่นั่นเอง เพราะเวลาแกเกิดแล้วก็สติปัญญาเหตุผลซึ่งควรจะใช้ได้ควรจะมีได้ก็ไม่สามารถใช้ได้ไม่สามารถจะมีได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไ่ปิดบังเอาไว้บางครั้งที่ทรงแสดงว่าโลภธรมมนังบริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งสิ่งทั้งหลายอะไรก็ได้ถ้าหากว่าปล่อยความโลภปิดบังปัญญาเอาไว้ อันตรายต่างๆก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นซึ่งตัวอย่างง่ายๆที่เป็นบทเรียนในการกำหนดปินิจณานั้นเราจะมองถึงเรื่องในนิทานอีศพเรื่องสุดนักปิฆาชิดเนื้อเดินผ่านสะพานมองเห็นเงาชิดเนื้อข้างล่างก็เห็นว่าชิดเนื้อข้างล่างใหญ่กว่า คลายทิ้งเพื่อลงไปแย่งยิ้นเนื้อข้างล่างนั้นที่จริงก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าความโลภที่เกิดขึ้นมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาปิดบางความคิดของตัวเองเพราะที่จริงเมื่อเงาเนื้อมันใหญ่เงาสุนัขข้างล่างมันก็ใหญ่คือเงาของตัวแกในน้ํามันก็ใหญ่เลยแต่แกลืมระเมินตัวเองว่าถ้าสู้สมมุติว่าสู้กันไปแย่งเนื้อเอาเกียร์สู้ก็ไหวหรือเมื่อตัวแกเล็กกว่าแต่ตอนนั้นมันก็คิดไม่ได้ ก็ความโลภปิดบังปัญญาเอาไว้แล้วในที่สุดปริมาณของความหลงก็สูงก็ทำไปอย่างที่ทราบกันแต่บางครั้งเราอาจจะมองในแนวของนิทานแต่จริงๆแล้วจะพบว่าการมองปัญหาในลักษณะนี้การใช้ชีวิตไปในลักษณะนี้ก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย ข้อนี้ไม่ต้องดูอื่นไกลแม่ดูท่านทั้งหลายเองซึ่งมีความสนใจมีความตั้งใจบางท่านก็อธิษฐานใจที่จะมาฟังธรรมจำศีลบาเพ็ญสมถกรรมฐานในวันเสาร์แต่เราสังเกตจริงๆแล้วก็จะพบว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้มีการหยุดสามวันสี่วันติดกันหลายครั้ง พอช่วงนั้นแล้คนจะหายไปไปน้อยกว่าส5หเปรซือถึง 20% เซสมอถ้าเราจะถามว่าเป็นอะไรคือไปอยากเที่ยวอยากพักผ่อนขึ้่อนชวนกันสนุกอาการเหล่านั้นเป็นอะไรอาการก็นันทีความเพลิดเพลินนันทีนั้นมาจากอะไรก็มาจากโลภมาจากตัณหาก็าแสดงว่าก็ขึ้นมาระยะหนึ่ง แล้วก็ถูกนั้นที่ความเ พ, เพลิดเพลินถูกตัาหาถูกลนพระก็จุดตรงไปเพราะในช่วงนั้นไม่ได้ใช้เหตุผลพินิจพิจารณาคือถ้าคนเขามีปัญญาเ็าจะคิดอีกแบบหนึ่งเออนานๆจะได้หยุดต่อกันสักทีนึงจะตั้งใจเก็บสะสมทรัพ์สมบัติที่ติดตัวเราไปได้มากที่สุดถ้าจิจะมากได้โดยการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมบาเพ็ญภาวนา ทำบุญทำเก็บทรัพย์สมบัติเพื่อตัวเองมาหลายวันแล้วตอนนี้ก็อยู่ได้สามวันก็รีบเก็บทรพัพย์ติดตัวไปประทรัพย์ข้างนอกเป็นทรัพย์ที่สำหรับอาศัยในขณะอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวทรัพย์ที่จะติดตัวนั้นเป็นทรัพย์ที่เราพึ่งก็ได้แล้วใกจะอุปธรรมค้ำจูเราได้เราะั้นคนก็จะเลือกเฟ้นเอาในส่วนที่ดี บางคนก็เลือกได้ลึกซึ้งมากขึ้นไปกว่านั้นใอเมื่อแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทําให้เกิดเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความเจือจางเบาบางของกิเลสออกไปจากจิตใจให้บ้างโอกาสขณะเวลาแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเป็นนาทีทองเพราะแท้จริงแล้วการใช้ชีวิตตามหลักเสริมสร้างคุณธรรมที่รู้ทพระเจ้าทรงแสดงไว้นั้น คือไม่ได้พูดถึงเรื่องอายุร้อยปีอายุอะไรที่เรามักให้สีหน่ายพรกันพระพุทธศาสนาไม่เอามาใช้การห้่สีหน่ายพรในลักษณะ น, นั้นยันดีก็พูดว่าทีคายุโกขอมีอายุยืนสุกิโตโคตุอโรโกโคตุขอมีความสุขอย่าได้มีโรคทีคาโยโกโคตุขอมีอายุยืนยืนขนาดไหนก็ไม่รู้แต่จะไม่พูดถึงร้อยปี เพราะอายุร้อยปีนั้นพูดในแง่ของสภาวธรรมนะพูดโดยสรงทชี่เห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้นนะักจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่เกินร้อยปีใครจะเกินร้อยปีไปก็จะตายเพราะแกะง่งงอมพระชาราเพราะ ง, งั้นก็ให้บุคคลใช้อายุน้อยๆเนี่ยบำเพ็ญความดีมาก แต่ในนอนอการกระทาเช่นนั้นผู้โมหะผู้โลภผูโทสะเองก็ต้องลดลงไปหมายความว่าใจเป็นใหญ่กว่าคนที่ยังตกอยู่อำนาจของสิ่งเด็ดนั้นซึ่บางครั้งที่เราวัดโดยความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นเด็กคือบางทีผู้ใหญ่นั่นเองอายุมากแต่ว่ามีพฤติกรรมเป็นเด็กหรืออายุน้อยแต่พฤติกรรมเป็นผู้ใหญ่ แต่ถ้าเราดูถึงสภาวะจิตเฮ้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่มีอายุมากแต่พฤติกรรมเป็นเด็กนั้นแสดงว่าจิตใจไม่มีการพัฒนาทําทอะไรไปตามนาศของอารมณ์ตามกิเลสที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นที่ท่านใช้คําว่าลุกอานาจแก่กิเลสในความกิเลสสั่งให้ทําอะไรก็ทาแต่ว่าบางคนแม่อายุน้อยแต่ว่า มีเหตุผลมีสติปัญญาสามารถควบคุมตัวเองได้ปฏิบัติตัวเองได้เหมาะสมเรียบร้อยอยู่ได้สงบสงยมอยู่ได้ก็แสดงว่าจิตใจเขาอยู่เหนือความเป็นเด็กอานต้าเจอกับเด็กวัยเดียวกันในแง่ของจิตแล้วเขาก็เป็นพี่พระเจ้าถือว่าพระองค์เป็นพี่ของชาวโลกในแง่ของพระไทยไม่ใช่ในแง่ของร่างกาย หรือในแง่ของประชุมมายุเพราะประชุมมายุตอนสรุปใหม่ๆก็เพียง35ปีเต็มหรือสามหปีย่างเท่านั้นเองมีคนแก่กว่าพระองค์อีกมากแต่เมื่อกล่าวโดยงแง่ของคุณธรรมพระเจ้าก็สูงสุดกว่าพูดแง่วัติวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดถึงมารพรหมยมยักเป็นน คนนี้เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในแง่ของสัตยธรรม ท, ทางสังคมบุคคลจเจริญทั้งสามด้านมาเจอกันคือจเจริญโดยวัยเจริญโดยชาติจเจริญโดยคุณคนจเจริญโดยวัยจะต้องไหว้คนจเจริญโดยชาติแต่คนจเจริญโดยวัยแล ะ, จะเจริญโดยชาติเองนั้นจะต้องหันมากราบคนที่จเจริญโดยคุณ จถามว่าคนจเจริญโดยคุณต้องกราบใครไมมต้องไหว้ใครไหมไม่ต้องคือไปกราบไปไหว้คนอื่นแทนที่ก็จะถือเป็นสิริมงคลเขาถือเป็นอัปมงคลเพราะกลัวภัยอันตรายที่โบราณท่านบอกว่ากลัวขีดกราดจะขึ้นหัวให้ผู้ใหญ่เขาไหว้ผู้ทรงคุณเขาไหว้การเรื่องคุณธรรมความดีจึงเป็นตัวกําหนดค่าของชีวิต ที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลแม้มีอายุอยู่ตั้งร้อยปีซึ่งคนชอบพูดกันชอบอยากเป็นกันแต่ถ้าอยู่ด้วยความมัวมองประมาทแล้วก็สู้คนที่มีชีวิตยอยู่แม้เพียงวันเดียวแต่อยู่อย่างไม่มัวมองไม่ประมาทไม่ได้นั้นความเป็นโลกเชิคือพี่คนโตของชาวโลก ที่เป็นพระสมัญญานามของพระพุทธเจ้านั้นหลักใหญ่ใจความก็อยู่ที่การพยายามขาจัดกิเลสออกไปโดยลำดับของพระพุทธเจ้านั้นโดยสิ้นเชิงแต่บนเส้นทางแห่งความเพียรพยายามนั้นเองบุคคลจะพบว่าผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระรนัตไพรสามารถจะใช้ความพยายามของตนขจัดปัดเป่ากิเลสได้เจอจางบาบางลงไป ก็จะกลายเป็นพี่คนโตเป็นผู้ใหญ่ในฐานะนั้นนั้นแม้คนที่วัยระดับเดียวกันแต่ถ้าจิตใจเราสูงกว่าเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นพี่ในที่นั้นๆจะรับการยอมรับนับถือจากบกุคคลทั้งหลายเป็นการเปิดโอกาสกว้างให้คนทั้งหลายผู้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้บูชาพระองค์ในการบูชาด้วยการปฏิบัติตามะคุณดังกล่าวต่อแต่นี้ไปเราขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป